อันดบเรที่สองปีสามแบบที่หนึ่งทีวอนละว่างสามหรืที่หนึ่งเกี่ยวอนเกบอันดับทีวอนไว้เกินสิบไันป้ามแบบที่สุดทียสอปีป้ามแที่สที่สปีที่มีการเสียสลับห่ือมีอะไรทต้องสลับของก่อนถึงจะปลงมแบบตกนะครับถ้ายังไม่ได้สลับของนั้นก็ยังปลอแบบไี่ตกนีนี่ม่นสุดที่ปีสองปีตกก็ได้ข้อแรก วันนี้ก็จเล็กขึ้นข้อสอเสียงดังนิดอนนิดครับกดดังครับะดดกดดต่อเปิดเมนูหนึ่สิบวอสกีท like like ีนะครับหาหาเท่าไรอหแปร้อส่ะ เมื่อดูมาติดตารหัวข้อถาบทสองเมื่อจีวอนของที่สุทำเสร็จแล้วเมื่อจะถึงหล่อแล้วถ้าว่าที่สุคืนอยู่ประจากใจทีวอนถือใดถือหนึ่งและเพียงลาตริงเดียวยกเว้นแต่ได้สมมุติที่สงให้แต่ที่สุอาภา ต้องอาบัตทปลายศตปีที่มีการเสียสลับเป็นวินัยธัาารมม น, นุษย์เชี่ยวจังตกแล้วไม่ถนัดนัก่านะครับหมายถึงตอนอรุณจะขึ้นทิ้งสู่กับฆ่าไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันบุรีรวมที่มีหลายหลายห้องหรือไม่ได้อยู่ในบุรีเดียวกันบุรีเดียวในวัดที่ไม่ได้ร้องเป็นต้อง เนี่ยนะเกี่ยวกับกางหยกดประจักษไปทีวอนะครับถ้าขึ้นต้องเหมือนเดิมนะว่าเมื่อทีวรของสิทธ์ทองเร็จแล้วเมื่อแั่หินดรอแล้วก็หมายความว่าเมื่อหมดอันนี้สองกาบหินนะครับเพราะว่าถ้าไรเงินได้อันนี้สองกับหินอยู่เนี่ยยังสามารถหยุดประจักษ์ไปทีวอนนอันนี้สองกับหินมีห้าข้อคือหดึ่งคือไปไปบอกมาสอเก ถ้าจ okay, uh, ีวรที่ได้ขึ้นในวัดนั่นแน่แกพูดไเธอจาคือเป็นต่อไปเป็นต่อเาไปไปคมต่อการเข้าไปได้ดีแน่แล้ว่าอยู่ประจากษาไดจีวรได้สี่ศรีศรราัตตระระตระลอได้อ่าฐานคณะโคหรือว่ารัมส์ปรัมโคได้ ห้าเจ็ด hmm. ห <c pes enn os> ้าเจ็ว้นั่คกันครับอาจารยเกมปฏิเลี่ยกทีวอยไว้แรกรางปฐนาเกินสิวันสิวันก็ได้ใช่ไครับอนี่นะฮะสองกะทิห้าทอดใี่นหมครับจำไหมจุ้ยม่ห้ฝอีกทีนะทอดแรกโอเคทอดแม่นะครับแล้วมีมนหนอ่ชื่อโฟ์ชนะแล้ว จะเที่ยวไปสุดโตโยต์อไม่ต้องบอกลาที s, ่สุดที่มีไยว่านก็ได้ครับอนี้ข้อมุหมาเดียนี่เหมาะที่โซเชียลที่สุดเลยนะครับเนี่ยเข้าเข้าไปแค่ความหมายย่อยๆว่าไปไหนไม่ต้องบอกลาครับนครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่หมายถึว่ามัต้องบอกลาทุกปาร์ตใหญ่ยิ่งไปไหนก็ได้ตอนช้าตอนเย็นนี่ก็ได้ไม่ใช่นะไม่ได้คงถึงข้อนั้นนะครับอันนั้นก็ต้องบอกลาเหมือนเดิม ในร้านวิจารก็ต้องบอกเราเหมนเดินนี้นหครับี่ยบข้อนี้นะเ้าเรียกว่าตาทีตาดหมดนะครับเมื่อเราเมืมที่โบชนาฆาแล้วเนี่ยจะเชื่ไปสึ่จกุลอืต้องบอกลาที่สึดที่มีในวาดก่อนถ้าดานส่งแวงไม่กะต้องบอกลาเพื่จะาอีนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็อาจจะไม่เหนียนะเก็บทนเดวทีวไม่ได้ตาปริศนาทีวลที่เราเมื่อามไม่ได้ยึดจับนะครับ กิดข well, er, ึ that that the parole, the ้นมาแล้วกีเก็บไว้เฉยๆนะเกสิบวันสีวันก็ได้ในช่วงสองนิ้นะครับสาก็หยุดประจักษ์ใจีวอนเวลาไปไหนก็ไม่ต้องฆ่าไปไปคบัสามถึงใช่ไหมเราหักเนี่ยเก็ฝากปฏิว่าในวันแหลนะครับอยาสมกับจีวแล้วก็ไปารทีไว้ก็ได้แต่ครับนี้แล้วก็ฉันนะครับจีวที่เกิดขึ้นในวันั่นแน่กเธอ เขาหมายเขาว่าในช่วงสงเนี่ยวที่เกิดขึ้นนันจะเรียกว่าการสวจะได้แอารอบคล้าที่จอมรารและก็ในการกระิกเท่านั้นนครับถ้าที่ไม่ได้การกระตินเราก็จะไม่ได้นะเ้วก็จะแจกงิน่าด้วยการกระติกนะครับแล้วก็ถ้านชันคณาพอแลวก็บาบาลสุขินะละนะครับนะครับน ถวายสงฆ์นะครับภาาถวายสงฆรก็จะได้จาพวกเธอแต่ถ้าถ้าที่ก็ถวายสึงนซ่วนเด็กนุ่งนั้นไม่ได้มาจำภาษากรเอาเข้ามาที่รับถ้าเขาได้ก็้ใจนะครับพาะถวายสุนซ่วนจะได้ก็ถวายสงก็จะได้พรว่าจำต่านะครับ อย่างนี่นะเวลาในห้องพันเนี่ยเขาจะติดป้ายไว้มันจะมีการ์ดจีบอลแล้วก็การ์จีวอลครับที้ในช่วงนี้นะตอนนี้ในช่วงจะป้อนสาอยู่เนี่ยนะถ้าที่เกิดขึ้นเยังไม่ใช่ช่วงนิสสงนะครับเป็นอาคารจีวอลที่เกิดขึ้นมาเราก็จะแจ้งกับแ้าย์เนีใยว่าที่หมดที่หลุดนะครับแต่พอเข้ามาสารเสร็จปุ๊บออกสารแต่ตอนแรกจะเลยใช่ไหมครั จนไปถึงนู่นแหละเราได้การกระถิ่นเนี่ก็ไปถึงหมดฤดูหนาวครับถึงการเดือนสี่พระธาตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยจะได้แต่ธาตุจอศึกษาแล้วก็ได้การกระถินเทอนั้นนะครับธาตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะะอย่างนี้โยเข้ามาสมานธรรมทานถวายสงนะไม่ใช่ว่าเอาไปเลยนะครับแล้วก็เจ้หนาที่เกิดข้องทำเป็นเดิมร้องอ้ไรเยอะๆแล้วก็มาแจกกันทีเึงือันครับในห้องคาั้งที่ทำป้ายไว้ อันนี้เป็นการจีวรอาการจีวรไม่ได้ไม่สงสงนะครับเวลามันแจกล้วก็จรู้ถ้าเป็นอาการจีวาก็แจกพ่อที่กรรมฐารทางการศึก น, นะถ้าเป็นอาการจีวรก็แจกแจกท่วไปทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> อ๋อท่านท่านไม่ได้การหรอ ถ้านจะการมาจากวัดท่านแล้วนี่นะอันนี้ท่านมาร่วมงานาเฉยท่านจะมาร่วมการร่วมมุทนาก็แล้วแต่แต่ท่านจะไม่ได้รับบารมีสงในวันเรา น, นี่ท่านก็ได้เฉพาะในวัดของท่านแล้วก็บรรวายกับทินด่างตาที่เขาถวายนะเวลาเขาส่งออกมาแจยา ก, กันนะ่ะท่านก็มีสิทธิได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผ้าท่านจะไม่ได้พอท่านไม่ได้จำท่านมนหรอกถ้เป็นข้านะ่ น, นี้ คำามขนมานก็วยัาทมีสไม่นาเลาเป็นเอาว่าท่านไม่ได้มามัก็ไม่ได้มีเงก็ไม่ได้ไม่ต้องจับมัสาเท่าน้ใช้ไม่ได้ครับอันนี้นะครับจบอกว่าถ้าอยู่ประจากใจไปจีวคุณได้สิหนึ่งได้ถ้าอยู่จีวรที่มาคือฐานเป็นส้งค้างติ่ อุตราศงอุตาาร า, าวงศ์ใช่มครับที่ฐ า, า, านเป็นไตร์นะนะครับถ้าอยู่ประจราง์แม้เวลาตรีเดียม<ๆ>เขาบอกอยู่ประรจ า, าง์เนี่ยอเดี๋ยวท่านจะอธิบายนะท่านก็จะมีสฐานที่ต่างๆนะครับแต่ละที่แต่ละที่เนะี่ยก็จะมีฐานไม่เหมือนกันนะถ้าเอาแบบง่ายๆที่สุดเลยก็คืออะไรกาลุกขึ้นนะถ้าเราต้องอยู่ใกล้กันในเนืาา้อธรรมะใช่ไหมครับ แต่ว่าบางที่ไม่ันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่นเป็ต้องอยู่ในห่บ้านก็ได้แค่ว่าอยู่ในภูติเดียวกันนะอย่างนี้นะครับเราไม่ได้สั่ง้าไม่ให้อยู่นะตอนลุขึ้นของเขาผ้าแตจีวอนก็อยู่ด้วยกันในพูติเดียวกันนี้ก็คุมากัาได้หรือบางที่ได้เยอะกว่านั้นนะครับถ้าเป็นหู่บ้านแตจีวไม่ได้หมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมีผู้ใหญ่บ้านเียนคนเดียวและเป็นหมู่บ้านที่เขาล้อมนะล้อมล้วงกำแพงคู้ครองอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรามีการออกร้องก็มีด้วยหมู่บ้านนะ้รับเราไปอยู่ในหมู่บ้านนะเราเก็บจีวรมว้ในหมู่บ้านเราจะอยู่ส่วนไหนหมู่บ้านก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้เนี่ยสบาดจีวรเลยนะส่วนไหนมุมไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับอันนี้ชื่อว่ามันอยู่ต่าแม้แต่วัดก็มหมืนกันนะถ้าเป็นวัดนั้นวัดนั้นเน่ยเป็นวัดที่มีเจ้าภาพมียงครับ สารพองพป็นคนซ่าเ <c oughs> <c oughs> จ้าพาคนเดียวนะนเกี้ยวมีใครมันรว่าอะไรแย่ไม่เหมือนนะครับสมัยก่อนเขจะมีข้อรวเห็นียว่าเช่พระเชตาวันอย่างนีน้นะสนาฐารบุติกาช่าหรือว่ามุคาราใช่ไหมครับคนที่เจ้าพาคนเดียวแล้วถ้ามีรู้ว่ามีกำแพงล้อมด้วยนะเราเก็บจีวง ไ, ไว้ในวัดนะครับเรายืมชุดได้ชุดหนึ่งเอาเในวัดนี้นก็ได้นี้นะพ่อหน้าอิศแถรที่อยู่ประจักษ์กันจีวรมันก็จะต่างกัน ในที่ก็จะมีห้องนิรภัยตาอดอันนั้นก็คงคงอยู่พอหาได้แล้วก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านมาตอบให้ช่วยหาให้เราท่านจะมีนะมีผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วก็มีรู้ร้อมีห้องนิรภัแต่ถ้าไม่มีรู้ร้อก็เด็กจะเห็นแบ มันก็เก็บไว้ในเรียนหลังไหนที่อยู่ในเรียนหลังนั้นเท่านั้นนะครับเราจะมีหลายแบบไม่ในวัดทั้งหมกันนะครับถ้าเป็นวัดไม่มีรั้วล้อมนี่นะจะในเรียนหลังไหนสุติหลังไหนก็อยู่ในสุติหลังน้นนแต่ว่าวัดที่มีอาจเจ้าข้าพเจ้าหายากมาส่วนใหญ่ก็จะมีหลายเจ้าข้าพถ้าหลายเจ้าข้าพไม่ก็เป็นแต่ละสุติจะได้ที่อยู่ที่หลวงพ่อเอยู่เลยนะครับจะเอามาใ้ไม่นานนะครับ อันนี้แค่นี้ก่อนก็จะไล่ไปแต่ละที่เนี่ยไล่ไปเจริญที่แล้วก็จะรู้ป่ะตางกังนะครับว่าแตา่ละที่ให้อยู่ป่ายังไงถ้าอยู่ป่านะคะรับแต่ิที่ก็แลแสงยงไว้นนะครับยกเว้อสมมุตินะครับที่สองให้แจกพิสุอาภาถ้ า, าพิสุผู้ป่วยนะแล้วสอก็สมมติให้ท่านสา ม, มารนอยู่ประตาตาจีวรได้ที่มีการสร้างเนี้อติส่ว สีละนะนานั้นถูกเจมใบนาต้ขึ้นลาตกน้ำทีท่สุดทั้งห ล, ย า, หละนะ า, ายจึงถึงชาตของเหล่านั้นท่านท้าเชื่อร่วนดูสนานะได้พบทีท่สนะู่เหล่านั้นกาลังสุนท่าของตีอยู่ทั้งแล้วจึข้อบระสานทีท่สู่เหล่านะถามว่าจีวรทีท่ขึ้นลาเหล่านี้ของใคเจมใบนาในขณะว่าขึ้นลาหน้าหนาเลยนะยหะนะ้าหนาเร่องเข จึงทจ่สุเหล่านั้นแจ้งางนั้นแก่ท่านพรอนนแล้วท่านพระเปนที่เชื่อข้อบิดเบือนโบาณว่าขณะที่สุทั้งหลายจึงได้สาภาพถึงกระือไว้แต่ที่สุทั้งหลายนั้นมแต่เท่าจรากับมประลาศกจึงไปสู่จันทในชนมบุตรเล่าและสาเนื้อนั้นแบบนมาทราบเจ้าที่ก็เอาไปคืนสงศรงสอบถามองปิดเปย์มาแล้วก็มายศฐานบุรีขึ้นมาจะมีภาพบรรยากาศขั้งแรกภามบรรยากาศั้นรยังไม่มีที่สุอาภาครับ ก็มีแต่ว่าจีวรของพิสุสําเร็จแล้วกระถิ่งหล่อเสียแล้วถ้าพิสุสอยู่ประจกักษ์ใจจีวรแม้ขึ้นราซีหรือชนิเนทียกไปนีีสมัยกรรมมาก็มีเรื่องของพิสุอาฆ่าเกิดขึด้นครับก็โดยสมณะลายพิสุรูเหมุอนอาฆ่าอยู่ในพระนครโธสัมทีพวกญาติส่งพูดไปในสำนักพิสุนั้นว่านิมนต์ท่านมาพวกผมจากพยาบาลแม้พิสุสมัยก็ใส่อย่างนี้ว่าไปเถิดท่านพวกญาติจากพยาบาลท่าน เธอตอบอย่างนี้ว่าท่านต้องหลายคุณพระท่านเจ้าทรงเมตตาม่งแก่ที่ศึกษาไว้ว่าท <im> <sh> cool ี่ศุไม่เอยมีเจรจากลายจีวรผมกาลังอ่านท่าเมื่อามาราจะนําายจีวรไปด้วยได้ผมจะไม่ไปไหนคท่านป่วยนะท่านจะเอาจีวรไปด้วยเพรางหน้ามันหนักท่าในตอนมีเนื้อไม่ละเอียดเราท่ามันะหญนื้อหนักนะทาไปไม่ได้ท่าไดวรับมไม่ไป คือพระมหากษัตรย์ที่ยุ่ันผ่านเ้าเขาต้องโง่ก็และญานะนญาตให้สมมติให้พสุขธอาร์่าสามารถอยู่ในพรจักไปจวรได้ก็สันนานว่าปนความยุ่งของพระมายเรานี้นะให้สมมตเพื่อไม่เป็นการอยู่พระจักไปจีวรแต่พิสุทธิอาร์ค่าก็เลยสงบนให้ผมทุกอย่างนี้แต่พิสุทธอาร์านั้นก็ ให้เข้ากระหังสองขุนเขนาน้าชะสงถึงบากลั้าผู้แก่สงสารวานั่งประยงปนนมือกา่าน้ว่าต้องการขอแบบนะท่านเจ้าค่าข้าพระเจ้าขาไม่สามารถจะนำไปทีวอนไปได้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้านั้นขอสมมติเพื่อไม่เป็นการกระาาทำรปวต่อโส่นี้ขอสั่้าของเอแล้วท่านสงก็พิจารณาที่สามารถนะ ก็จะสวจย็บติทุตยกรรมมาว่าสามคู่สมมติถ้าอยู่กับประกษ์การจีวรหน้วท่านก็จะไม่ต้องทำงานไม่มีการติดต่ออีกแล้วถาันี้จะถึง่อนนะครับถ้าจะถึงดอนถ้าข้าสารจีวรไม่ใช่ไม่ได้ใ เสียงมันดังคล้อง n ังได้ฟังทั้งหลังได้ยินนะทุกถ้าได้ยินไม่ได้ข้อความต่ ความจีวรไม่มีเนมันเสร็จไปแล้วท่านเนี่ยผมเขียนมาให้นะเพราะว่าจีวรทำเสร็จแล้วด้วยฐามเสรจใจจีวรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นความเสร็จไปแล้เนีเมื่อจีวของพ่สุเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเกถิก้ออกแล้อกด้วยหัวข้อกี่อแตกข้อเมื่อวานนะแปลกทั้งหดพสุหมดข้อแล้ เพราะการดอกกฐินคือการเผด็จแห่งจีวรเหล่านี้อย่างนี้แทรมุประจักษ์ใจจีวรไม่สิ้นหลังปีเดียวอย่างนี้ที่ว่าเป็นเนื้อความที่ถูกต้องในคำเหล่านั้นคมว่าติจีวเรนะแปลว่าด้วยจีวรถึงในถือหนึ่งในบรรดาท่าสังคติจะต้องต้องมีสังคติจีวรสมอง เมี่อพิษฐานแล้วตามวิธีาาาการพิษฐานเป็นใจจีวอรอันนี้ก็มีประบบนครับอิมังสังคาเต็นอิ ม, องมัอมองอัมะาสามคำหรืออิมางอัมปะหาวางปรารอภิษฐานนี่นครับคว่ า, า, ม, า, า, วามิตรบอกว่าเสยย ะ, ะความว่าอยู่ประจากในฐานะนี้มีความยอดดังต่อไป น, นี้พิสุดเก็บจีวรไว้ในที่ใดที่หนึ่งในบรรดาสัานที่เจดสิบห้า มีประเภทสถานที่เชิงบ้างแล่งคมเรือนจะจมีคำว่าเรือนตกเป็นโรงเก็บของป้อมเรือนยอดเดี่ยวตาสารเรือนโลนเรือเรือนนาล า, า, นนาน้วนข้าสวนหนานคนต้นไม้และที่การแจ้งตาพระบางมีแต่ต้องว่าบ้านมีบ ร, ริเวณเดียวมีบ ร, ริเวณหลา ย, หลา ย, หลายแห่ง เั็นยามรุ่มให้ขึ้นไปโดยที่กีวอนถึงในศูนย์หนึ่งไม่ดีในอัฒมารในท้ายนอกบ้านเป็นต้นเหล่านั้นถ้ารวเป็อะลรก็ลาเกียร์เขาประกาศไว้ก่าวไปแล้วในเอกสารเขายังในชื่ว่าธมรจารษาที่เก่าคุณยายตอนนี้พวเราต้องมันมาดูความขบาแต่ละที่อะไรเนี้ยผมเขียนสรุปไว้ให้นะกระดาษมีที่อะไรนะเพี้ยได้หมดเลย เป็ข้าไหเป็นข้าเสร็จแล้วก็ยัง้อมองก็ได้เขียนข้างบนแล้วก็อ่านดยเมื่อก่อนะ็หมดะคําว่าอนิตตรคุณสมุติยาความว่าของให้การสมมติการประจักษ์ไปทีวอนแี่จุดผู้เป็นข้ใด แว้นการสมมุตินั้นเสียแล้วเมื่อที่สู้น์ไม่ได้สมมุติอิสระจากแม้เพียงสี่งเดียวถึงสามารถก่อบัตรปาสิทธิยีที่มีการเสียนะะขนาดถึงของแต่ที่มีการขนาดถึงของโดยในหังคาและมันเองเมื่อนี้ข้อก่อนนะเมื่อไปนบับข้อนีน้นะนะรแล้วก็ท่านไปสลับแย่างสองกนไ ด, ด, ด้หน้าก็ ในสดีฐาบ่นี้เฉพาะการเปลี่ยนวาจาโดยในเป็นข้อว่ากระสานกันเฉพาะความสัมพันธ์ข้อดุอลทรขศน์กันนะความสนับกระสานกันหน่อยว่าถ้ามิเจอรนวีวมลของผมผมอยุดประช า, านารีถ้าเป็นข้อก่อน ข, ข้อจะบอกว่าะนะ่ยเขียนไมเกินสิ บ, บาท็ไม่มา่วงสิบบาท แ, แต่ข้อนี้พูดมากหยุดประช า, านารี บ้านวันนี้เป็นเยปาสุตรีได้กระจายสมุนของพิษทุ่มดังนี้ท้อนั้นที่สากันและ้ข้อนี้เองเป็นข้อแตกต่างถ้าภาษาวันนี้ก็จะเป็นอิทันเมทัมเตชิวารันทัศน์สีองวารพิษจาระพิษปุ่มสุญญางาศนีอย่างนี้คือสิษยานที่มีสิบห้ที่แตกน่า้ อ น, นี้ในตัว อ, อย่างสองที่มีว่าเพราะว่าลลายทาี่มีบ้านเ็นุนท้ายันครับอาตักถานที่อยู่ประจักรไปย้อก็ยกตัวอย่างมานะครับข้อหนึ่งหมือบ้านอันนี้สองเรือหมู่บ้านครับหม่บ้านที่ก็แบ่งเป็นหมู่บ้านสุดทเดียวแล้วก็ผมู่ากหนักสุดทุนหมู่บ้านสุดทุนเองก็งคือ มีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวมีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวหรือว่าของพราชาพองค์เดียวนับพูดถึง้าหมู่บ้านหลายตระกูลก็มีผู้อยญ่บ้านหลายคนครับหญ่บ้านหลายคนทีนี้หมู่บ้านเปคนเดียวนะพูดตรงนี้ก่อนถ้าเขาแบ่งเป็นสองแบบบ้านที่น้องรู้ว่าแล้วมานที่ไม่ไดมีการร้อง ถ้ามาที่มีกรารร้องเราเก็บคาไว้ในหมนูบ้านเก็บทาไในหมู่บ้านนะเราสามารถอยู่ในหมู่บ้านตรงไหนก็ได้ภายในหมบ้านนครัถ้าบอกว่าอยู่ในที่ช่องใดเป็นไหนก็ได้ภาในหมู่บ้านอะไเราอันนี้ทื่ว่าไม่ดูประกาศการร้องหมู่บ้านที่นะั่หมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านคนเดียวข้ารก็มีการทำแพร่รลือว่าเราจะต้องร้อมหมู่บ้านนะั้น เรา เ, าเหตบข้ามไว้หนึ่งบ้านเราอยู่มุมไหนก็ได้พันหนึ่งบ้านไหนที่เร า, เาชอบใจครับอันนี้ช่อไม่อยู่ประทัดตะกีวร์แต่ถ้าออกไปอยู่นอกไไหมู่บ้านแล้วต็เิขึ้นนีด้วยช่าอยู่ต่อขึ้ับขึ้กับคนเดียอขึ้กับคนวขึนกับหมู่บ้านนหมู่าคนเ ที่บ้านคนเดียวถ้าไปแบบพระราชนี้วทของราชายมันก็กว้างนะครับแลก็จัดเป็นหบ้านได้เหรือนกันนแล้วก็คือที่เป็นของพระราชาองคเดยวครับแล้วก็ที่ไม่ร้องถ้าให้ร้องนะตู่เดียวมอกันนะครับคู่อย่าบ้านมันหมือนกันแต่หมู่บ้านที่มัอยู่รั้วร้องเช่นสมัยที่ส่วนใหญ่นะหมู่บ้านมันก็จะมีรั้วร้องอยู่บ่างนี้นะ ถ้าบอกว่าเก็บผ้าไว้ในเดือนหลังไหนหลังแรงนะครับเราต้องอยู่ในเดือนหลังนะท่านนะอยู่ตรงไหนในหมู่บ้านไม่ได้แล้วครามว่าเข้ามาในรองครับน่ครับหรือว่าไม่ถนัดสมบัเือนครับอยู่ในเรือนหลังนะหรือว่าข้ามาลอบเรืนก็้อย่างไม่นัสมบัอาจจะบั่ก็ของต่อซื้อหรอครับเหมือนเป็นาวัดลอืออะไรหน้างนันั่งนังลอบเรืองครับมาอยู่ไม่เคย เนี่นะครับนต่นลักษณะนี้มีสกุเนี่ยสกุลใหญ่ในสมัยนี้ก็เป็นลักษณะนี้เลยครับแต่ที่ผิวหน้าคนเยอะเละสกุลใหญ่นช่นครับแล้วก็มาในล้อเป็นลักษณะน้เราก็ยังรูว่มันจะเป็นก้อนมาถ้าคนเรายิ่งเนี่ยขบักใช่ไหมครับจะมาอยู่ในเือะหนักนะครับหรือเราเนี่ยขบันมีคนเยอะ ถ้าข้างเมืองนี่เขาจะเห้น้าของไฟฟ้าเข้ามาเข้ามาให้เรียกว่าเมืองครับถ้าเมืองไฟฟ้าของไฟฟ้าสองสองซึ่งเขาไม่เป็นไรนะครับต่อไปถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านต่างคนเกิดมีผู้ใหญ่บ้านหายคนหมู่บ้านนี้เป็นยังไง ไอ้ขบวตองบอาตองไม่ย้ำนะเอ้าไม่จริงๆเพราะว่าถีอว่าผู้ที่ีตในการปกครองรบ้านนี้คือผู้ห่บ้านครับพวกบอลองเป็นผู้ช่วยที่มาบริหาระครับไม่ได้เป็นใหญ่ผู่บ้านนะถ้าเขจะพูดถึงนะครับหรือว่าเป็นขนาดระวังนะขนาด่เรื่องต้องกว้างนะครับของพานารเหมือนกับใน เมงเวียนี้เรื่องมืองบุินาราที่เขาปกครองเปนแบบคณะคณะพลาชานี่ครไม่ใช่คณะธมนัฐนะคณะพลาชานะมีพลาชาน้เยกว่าแล้วพลาชานี้เองข้าวหน้ก็ถือว่าจะมีบ้านได้นะครับ้นัเจ็ของหลายเ้องเลยนะพลาชาอยส่งนรเรือโทรศัพโทรศัพทรศัพนนะครับทีนี้ถ้าสมตินต่างชนกลุ่มเนี้นะครับและข้าว ถ้าเราเราเก็บย้อนมาในเดือนหลังไหนก็อยู่ในเดือนหลังนะครับหรืออยู่ที่สภาหรือที่ประตูไม่ได้นะครับสภาเป็นยังไงครับท่า น, น, านาก็จะพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านหนาเป็นขุนใช่ไหมถ้าก็จะแ บ, บ่งเป็นซอยแต่ละซอยแตะอยแตนะครับคอยนะครนะับก็จะมีถนนเข้าไปแล้วก็จะมีประตูใหญ่เนปะ็นประตูใหญ่นะแต่ตั้งแต่ ขมีชุมเป็นตัวมประตูว่าแต่ละซอยเลยเข้าไปนะครับแลวในซอยนั้นนะมันก็จะมีประหนาหรือว่าหม้านหะลายเด่นขึ้นมาละายหลังนะแล้วก็จะมีสะพาปที่ประตูมีที่เป็นชุมของข้ามนั้นอยครับของซอยนี้อยู่นะแต่ที่เขาเป็นแต่แต่ละซอยก็มีเปิดพ่ออะไรต่างๆหครับซอั แล้วก็มี็นบริษัทประตูบริษัทประตูนี่ก็หมายถึงแบบประตูใหญ่ที่เข้าซอยก็เลยครับบริษัทใหญ่คว้าถวายก็เลยต้อบอกว่าเก็บอยู่ในเดืองหลังไหนอยู่ในเดืองหลังนั้นเลยครับหรือว่าเรามาอยู่ที่สําก็ได้ตรนที่ประชุมก็ต้องประชุมก็ได้นะหรือเรามาอยู่ตรงบีิัประตูใหญ่ก็ได้ครับเพราะว่าเคยแม่ชัยเอาจีวอลไฟนะั่งคว้าจีวอลออกมาออกม า, ออก ม, ามันต้องออมาทางซอยนี่ครับ เราก็ต้องอยู่ตรงประตูแล้วก็ไาเจอค่ะครับีดตรงสคพานนี่นะไม่ติดใจนะครับหรือว่านะครับอาจจะไม่อยู่ตรงสะพานหรประตูโดยตรงแต่อยู่ในอันบ่าของสคพานเนื้อบานมรประตูแล้วก็ใช้ได้หมัครับพอท้องลัอีวอนกมาแล้วก็วิ่งมาที่นั่นก็เจอต้องตรงนี้นะครับท่านจะพูดถึงว่าเนี่ย ท่านที่มาฝากท่านบอกว่าอันี้รอนนะครับที่สุดเจ็ดกิโลไม่เหนียหลังไหนในหมู่บ้านเท่นนะครับเท่นอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละหรือว่าครับไม่คืนว่าขบากกิโอไม่คืนหน้าสบากเรือนนะครับอันนี้นะมีผู้สื่อที่ผมไม่เขียนนะที่เหนียวหลังนั้นหรือว่าไม่หน้าขบากเรือนก็ใช่ได้นะรมีขบากเรือน้าน แล้วบอกว่าหมู่บ้าน น, ะ น, ะนะั้นณครับมีอยู่ในถนนใดก็คือในซอยที่เข้าไปหมู่ บ, บ้านในเดือนเท่าไรตรงอี้ครัเรือ น, นะครับเรือล่องเข้าที่เจ็ดวอร์ฮะอยู่ในถนนใดเคยอยู่ในสะพานหรือว่าประตูเรือนนะครับที่มีหน้าสะพ้อแห่งเรือนนั้นในถนนนั้นนี่น ะ, น ะ, นะนะ ปังนั้นเรากเข้าใจว่ามันก็เป็นซอยเข้าไปในบ้านเร้าทั่เล้วนันก็จะมีสะพานแล้วก็มีถนงเข้าไปนั่คือซอยแล้วก็มีสะพานแล้วก็มีประตูใกล้อยู่ตรงนั้นแหะหรือว่าไม่ตีหน้าสมันะครับสะพาหรือว่าประตูีสาระอร้องนะครับคำว่าเก็บเก็บมีเก็บอะไร ใช่ครัเ็บท่าในเรือนในเรือนหลังนั้นใช่มแล้วบอกว่าให้ยในเรือนหลังนั้นแหละครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในเรือนหลังนั้นก็ใจใดให้อยู่ในสภาหรือว่าริประตูของตอยนั้นน่ะซอยบานที่เขาอยู่ซอยที่เข้าไปในเรือนตืองมาครับใช่ไหมหรือว่าไม่นาหนักขบานแห่งสภาหรือริมประตูก็แล้คหมายถึงว่านีจะพูด่เพื่จะปเื ใช่ใช่ครับตาจะไม่จำเป็นจะอยู่ในบ้านนี้ตลอดเวลาก็ได้นะพเพราะมีให้บอกว่ามันมีเมสียงกระทืบเสียงดังโกรธท่วมทุกข์ข้าวถ้าอยู่ไม่ถึงหัวแต่ความขึ้นนะ่ะแ้่เรามาที่นี่นะครับอาจจะไม่เข้าไปในเนื้อแล้วนะในตัวเราก็มาอยู่ตรงมหาธา ต, าตกับทางที่ประตูก็ยังนั่งอยูครับของปอย น, น้นี่นะก็ยังจะเห็นว่าท่าทที่ว่าเรา แต่ว่าถ้าไม่ได้ล็อกเลยนะครับไม่มีรั้วล็อกนะเก็บไม่ในเรือหลังไหนก็อยู่ในเรือนหลังนั้นแหละนะครับรืว่าไม่น่าขบ่าเรือนถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันอะไรอ่ะมันขโมยมาจะออกไปไหนก็ได้นะไม่ต้องอยู่ใกล้กล้เลยนะครับอยู่ในเรือนนั่นแหละหรือว่าไม่น่าขบ่าเรือใกล้ใกล้เลยอันนี้นะครับเป็นเรื่องของบ้านแต่ถ้าเป็นเรือนนะครับถ้าจะเรียกว่านี่เรือนฉนันะ ก็คือเรียนอะไรนะครับเรียนเป็นอะรแ่าเรียนอือเรียนเป็นคาเมียกัวแทนที่อยู่นะที่จะทาอย่างเศษนะครับที่ไม่ได้ทำเหมือนกับลงเก็บของเ็นต้องมียนมนกคือเรียนครับที่อยู่ที่มันนอกมันแตกจากไอ้สี่ข้อที่เหลือนะ เพราะเรานี้นั่ง่อนั่งเรื่องอ่ามันจะนั่ไปแต่เ่ก็บต่อครับตอนที่เขาแปว่าเดือนพักครับเดือนบ้านเรียนครับน้าอันนี้นะครับถ้าเขาเดือนนั้นมีรัวน้องนะโดยเดนจะมีที่มากับที่มีรัวน้องเรือนนะเราเก็บรี่ว่าในเดือนหลังไหนเ้วก็อยู่ในเดือนหลันั้นนี่ับแต่ถ้าเดือนนั้นไม่มีรัวน้องนะครับ เก็บไว้ในห้องใดนะอาเอาเป็นห้องเลยครับเป็นที่มันด้แคบหมดแล้วป้ายอยู่ในห้องนั้นนะครับหรือว่าไม่ไะสมำัตรห้องนี่เพราะว่าห้องไม่ได้ร้องนะครับโดยโดนนักถ่าแล้วเขาออกไปทางไหนนี่เราจะไม่รู้เราคืออยู่ในห้องนั้นเลยพเราเก็บไว้ในห้องแลอยู่ตรงนั้นแหละหรือว่าทำัครห้องครับแค่ออกมาในห้องนี้เก็จะเตา อันนี้ครัของตะกูลเดียวก็คือบ้านนะหน้าของเดียวครับแต่ถ้าเรือนนั้นต่าตกุลครับถ้าจะเป็นอะไรนะทําเป็นคอนโนหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรือหลังใหญ่ๆหลังเดียวกันนครับมันมีห้องเล็กห้องน้อยนั่งซอยลงไปเยอะแยะทั่งหนีแล้วก็มีหลายเจ้าของเนี่ยแต่ละห้องแต่ละห้องเท่านั้น ข้าวจะซื้อแต่อะไรกันนี่นะครับถ้าเรียกว่าคอนโดใช่ไหมนั่นนะครับอันนี้หล้วก็ร็อก็ันไม่ล้อกเหมือนเดิมครับเราเก็บคืว่าไยู่ในห้องไหนก็อยู่ในห้องนั้นแหละนครับหรือว่าอยู่ที่ลิประตูก็ได้ลิ้ประตูห้องก็ได้เราก็ยังเห็นนะครับหรือว่าอยู่ตรงหน้าผาดห้องหรือว่าหน้าผาดลิ้ประตูก็ได้เขาว่าลิประตูหมายหมาประตูใหญ่นะ ประต resonate, <ST ูข้าวตั lon, <S <S <S <S <S ้งแน่นนะครับไม่ใชกประตูมองแต่นะห้องครับประตูใหญ่ดีครับประตูใหญ่นะครับประตูรวมประตูวมประตูใหญ่นะครับ้องแสนจะออกมาทางนี้เลยข้อนี้อก็ล้อนะครับเป็นข้อลอกมาทางนี้นะครับใหญ่แต่ละบ้านเขาไม่มีประตูใหญ่เลยนะครับครับใช่ไหมครับครับ ออาประตูออกอก็ที่้อารูนมาั like ้งรูหัวค่ะรัจะไม่หแ um ้ด้เป็นประ่อจะานงน่นงาาแต่ว่าถ um ้ารอกที่สาารของนที่้เนี่ยเขาจะเป็นประตูท้าวอนออตูสามารานรา่อกแแต่้า่จำแนกนปตูที่มันสามาแ ทห้องคุเข้าใอย่างเยนะนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้รองเลยนะเรลังนี้นะครบไม่ได้รอเลยแขกในห้องไหนก็อยู่ในห้องนั้นแหละนะครับหรือว่าอยู่ในบางห้องนะคันนี้ก็จะแค่ห้องเพราะว่าเขาไม่ได้ร้องเครับม่้้ครับแต่ทีนี้เาทำบดิีกการเรือเา่ร้องไม่งเลยโด้องชวมาใเื่องาเิน่เคเ็บคยเก็ อ๋อไม่ได้พูดสิงบงทีก็ไม่นี่ี่บว่าไม่ได้พูดจริงบอกจะว่าล้อไม่กำแพงยังต้องใม่นี่เลยครับ เอาหมู่บ้านนะถ้าหมู่บ้านนี่สกุลเดียวกันสกุลเข้าที่อยญ่บ้านเกนะไม่ได้เอามูบ้านเอาผู้ให่บ้านเป็นเกณฑเลยถ้าผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเข้าหมู่บ้าของสกุลเดียวทำผู้ใหญ่บ้านหลายคนผู้บริสุหลายคนก็ของหลายสกุ เรื่องควใมแท้แท้แท้้แน่นอนนี้ครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงไอเมื่อกี้เนี่ยมีถึงห้าข้อนอนกลับไปดูในการางครับกับไปดในการางถงห้าข้อห้าห้าหน่ร้อยสิบนะครับผมไปดูเมื่อกี้นี่ยนะหมู่บ้านนะครับไอตรงบรรทัดว่าบรรดาทหารที่เจ็ดสิบห้าแห่ง มีประเภทสาขาที่อยู่คือบ้างอันนี้สือหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านครับแล้วนิคมนิคมก็รวมในหมู่บ้านเละนะครับอธิบายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนิคมก็จะเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับที่มีล้านตลาดนะมีของขายแอะแย่มีผู้คนครับังเราเรียว่านิคมไปครับแล้วก็เรือนเรือนตกไปนครับเรือนก็อยีอธิบายนะครับแล้วลองเก็บของลองเก็บของท่ก็บอกว่า ไปลองเก็บของสิ่งของต่างๆมีลองเก็บยาผ่านะน้าต้มป้องนะครับก็คือป้องปราการนะที่เขากับทำได้อีกเพื่อป้องกันฆราชาฝ่ายตรงข้ามฆราชาที่เป็นฆ่าสศึกนะครับมันเป็นเรียนที่เขาทำอย่างพิเศษนะครับมีฝาหนาณะประกอบด้วยสี่ห้าช้า้ใช่ไห้ครับก็คือป้องเนี่ แล้วก really OK. ็ครับเรียนยอดเดียวเรียนยอดเนี้ยนี่อันนี้ก็นะครับต้องใว่าเรียนยอดเดียวนะป้อมแล้วก็เรียนยอดเดียวนะไม่ยอมสอนไม่ยอมสอนนะไม่รักสิทธิ์มากอภิการเรียนยอดเดียวครับ นี day, boom, boom, right? so ่ะนะน่าจะมัค่าแอันนี้ป้องอนะถูกแลนะเรียนย่อนี้ก็กองตัวนะครับผมว่าเรียนเป็นกลางหาที่เรียนจะดีนะที่สองพ่อด้ยย่อเดีอือสงพอด้วยย่อเดียวหรือว่าหมอปาที่ก็บอกว่าเป็นเรียนพิเศษนะครับที่มีอะไรคลยย่อนะหลายย่อก็มีนนีเป็นอันหนึ่งนะ ต่อไปนะครับภาษาก็คือภาษายาวภาษายาวนะบอก น, อนี้มีประเภทเป็นอัฒยาค่ะ oh เป็นต้น อ, <c oughs> อัถ oh นะ้าโยค่ะเนี่ยนะเราจะ oh เรียนคำใช่ไหมมันจะมีคำยากอัฒยาค่ะคำยากก็คือเรียนรู้ใช่ไหมครับอัโยาค่ะก็คือเรียนอะไรนะอัฒยาค่ะเรีอนที่เรื่องแผนเดียวครับเรียนมุนแผนเดียว ก็คือการเรียนที่หลังคาตัดลงมาใช่ไมักับปิดทุกคาถคเขาเรียกคาถาไหนใช่ครับอันนะครับเนี่ยมนีต่เดียวอเป็นตนะครับพืชภาษาครับภาษาทั้งหมดเหอนะทุกอย่างเลยที่เว้นจากป้องเรือนยอดเดียวแล้วก็เรือนล้อหนี่งทั่วภาษาครับด้านก็แล้แต่แล้วก็ห้ามไม่ยะก็คือเรือนล้อเรือนที่หลังคา ต่ำเราภาที่มีหลังคาโนประมาณหนคาตันเนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มองราคากันไม่ต่ราคาอว่าทำนิยมเยอเดือโนคับางทางก็บอกว่าประกอบด้วยลานที่มีพระจันทรัานเราไปเรือครับนี่ีตรงไหมก็เรือ่สมวนึงครัเรือก็มีสองแบบ เรือที่มันตั้งหมดๆแต่เรือที่ตั้งนี่นะส่วนเกีย์ท่านก็แบบงเปนสองอย่างจะมีหมูดต่างกับมุเกีย์หมุดต่างนี่ก็ใช้เดินทางนะครับมีพ่อค้าขนสินค้าไปอาจจะไปด้วยลาด้วยอะไรนะแต่แต่ว่าก็จะเดินนะครับถ้ารถเกีย์มันจะขของที่เกลียนแล้วก็ไปในรนมีสองหมดเพรามีลีย่งไล่เนีอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ วส ham, วนก็มีสวนดอก musician, ไม้สวนสวนต้นไม้ทนี้ครับวิหารเนี่ยไมายเอาวัดทั้งสิ้นครับเป็นวัดที่ร้องหรือไม่ร้องคนละแต่งนะอาจามังพวกก็บอกว่าไมเอาเรือนะครับหมายเรือนี่หมายถึงว่าเป็นวิหารโบสถารูปติชะลาหลังอะไรนี้ครับตรงที่อยู่อาศัยจะได้ที่อะไรครับ อันนี้ของเกศศีนะครับเชี่อวยี่วันี้เป็นที่อยูอาัยเจริญรังสตนเป็นบวิหาตารางสุติกะแลแ่งนะครับแต่ว่าในแรกเขาบอกว่าหมายถึงวัด่ขึ้นเลยครับทั้วันเลยวอดวิหาในทีนี้นะครับงมีนอลแต่งหาที่ต้องบริหา้วาได้รวบวชลาด้วยวทุกที่ก็วัดในวัดทุกวัดเลยครับ อย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีแบบงแเมื่อก่อนผมสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยคาว่าหมู่บ้านใช่ไหมครับมันก็คุมเรือไปหมดแล้วนะมันคุมที่ไหนหมดเลยนะครับจะเป็นหมู่บ้านป้องอะไรกับอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในหมู่บ้านแหละใช่ัหมใช่ไหมครับดังแล้วหมู่บ้านก็คุมไปหมดแล้วและการแยกไปแต่ละข้อละน้ำข้อของมัใช่ไหมข้อเรือมันก็ต้องอยู่ในหม้านใช่ไหมครับแล้วน่าจะมีข้อหนึ่งในหมู่บ้านจบไปเลย ถ้าเป็นหมู่บ้านเจ้าของเดียแล้วก็ร้อนะครับอยู่ในเก็บในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านทางไหนนั่นนี่หรัแต่มีการแยกออกมาทำไมถึงแยกมาครับท่านก็บอกว่านะคาว่าเรือนเป็นต้องในที่นี้นะครับตั้งแต่เรือนไปนะเรือนไปถึงเรือนล้อนะครับอันนี้เข้าหมายเอาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั่นนที่อยู่นอกหมู่บ้านเลยเข้าไป่ทราบว่ต่างหากนะถ้าว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะ มันก็ยึดถือสองข้อข้าในหมู่บ้านนะครับ ข, อขอ้อหูลในหมู่บ้านเหมือนกันจริงครับก็ไม่รู้กันอันนี้บอกว่าอาจารย์ลาบหรอบอกว่านะครับก็สถานที่อยู่มีเรือนเป็นต้นมีเรือนล้นเป็นที่สุดนะครับที่ตั้งอยู่ในชายนอกจากเขตร้อมของหมู่บ้าน น, นี้นะเนีย่ยมันก็เป็นได้รู้กันนี่เป็นย่านะงนี้ครับน่าทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแค่ บ้านหมู่บ้านนิคมอะไรกันแล้วก็เรือนแค่นี้ใช่ไหมครับถ้าบอกว่าแม้ลงเก็บของนะป้อมเรือนยอดเดียวกะเสาเรือนโล่นะครับพวกนี้เนี่ยมีคำอธิบายเหมือนกับเรือนเหมือนกันอย่างเงี้ยครับมันพอสองหมดเลยนะคำอธิบายเหมือนกันหมดเลยะครับต่อไปคืออะไรแม่เรือแม่เรือก็เหมือนกันเรือก็เหมือนเเหือนกันนะครับก็จะมีหมูเรียนะครับทีนี้ ก็หมูเปียนกก็มีหมูเลียนของตระกูลเดียวนะครับหมูเปียนหลายตระกูลถ้าเป็นหมูเปียนของตระกูลเดียวชื่อก็บอกเป็นหมูแล้วแสดงว่าไม่ได้มีฐานเดียวนะครับมีหลายฐานไปมันเป็นของบูนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นของตระกูลเดียวเป็นเศรษฐีใหญ่ประเด็นเจของหมูเปียกนนะครับพิสูจน์เก็บจีบอนไว้ในหมูเปียน ไม่คืนละอัพพันดองนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังด้านเจ็ดอัพพันดองก็คือหนึ่งอพันดองนั่นกับือสี่สองสี่สองก็คือสองเมตรนครับเจ็ดอัพันดองก็ได้ยี่สิบแปดสองยี่สิบแปดสองก็เท่ากับสิบสี่สิบสี่เมตรนะครับนี้เนี่ยนะอยู่นะครับไม่ละนะครับด้านหน้าด้านหลังของเกียน์นะครับ ไม่ละเส็หมืนพันดอนยี่สิบดช่อไม่ถึงาะพันดองด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าด้านละเจ็ดหมนพันดอนถ้าเป็นด้านข้างก็ละด้านหนึ่งหรื่นพันดองแล้วก็นึ่งผานะดุดเวียนไนหมู่ไหนใช่ไครับแล้วกเก็บจว่นไว้ในดุดเวียนอันนั้นไหนนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ละพันดองนะด้านหน้าด้านหลัเวียนนะครับเส็ดหมื่นพันดองไปได้ไกลนะแต่ละด้านข้างหน้าไม่ไ้หลายข้งก็ไม่ใ่ ได้ยี่สิบแปดอบครับตในการแงนั้ น, นแต่มให้เกินนะครับถ้าเลยนั้นไปก็ออกห า, กาบายแต่ถ้าเปนด้านห้างออกมาได้แค่ด้านหน้าหนึ่งพดองก็คือสี่อบสี่ออบถ้าเป็นหมูเกวียนต่าุกุ้ยน้ำมาหลายเจ้าเกินเนี่ยอันนี้เก็บจีวาไว้ในหมูเกวียไหนนะครับเอาหมูเกวียนนะไม่เพิ่งล่าขนะดบายของหนเียนนะครับอันนี้พอหลายเจ้ามันจะไปยู่เจนพันดองก็ไม่ได้นะครับ ได้เนี่ยถวายมีเืณอันนะครับต่อไปก็จะเป็นไล่นาสวนอันนี้คนจะดูเหมือนกันพ่อมนทีหลายคนได้ไปอยู Pu ่สวนโยมอะไรนครับอันนี้ถ้าไปอยู่ลูกคำมูลอยู่คนม้าอยู่อไรนี่นะท่านก็บอกว่าไร่นาสวนแค่กลุเดียวอันนี้ไม่จดนั้งแตให้ฟังครับเป็นไร่นาสวนนะครับก็ดีรลา่นวดค่าวอะไรเมื่อกี้นั่นก็สองข้อไปหมดนะครับ ถ้ามีเจ้าของเนียวคุณเดียวนะครับล้อมผมนะล้อมรั้วนะครับเงียบร้อนมีสวนมงส่วนึในล้อมรั้วเล่นมีเจ้าของเดียวเราเก็บไว้ในไร่นามีสวนเป็นต้นั้นนะครับเราก็ืู้ในไร่นาสวนนั่นแหละมุมไหนก็ได้ไหนนะอาจจะสร้างร้อยไร่ที่นี่นะสวนไทยนะตาข้อไทยขี่ไร่นะครับอยู่ไร่มีตจ้าเดียใช่ไหม เราอยู line, ame, cool ่อะไรในฟาร์มแหละไม่ต mm. ้องกลัวครับเก็บเงินในฟาร์มนี่มีท่าได้เพราะว่าเขาร้องอรู้ว่าทำไมหมกเลยนะครับแล้วงบประมาณไม่ใช่ธรรมดานะฮะล้อมรู้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ร้องเจ้าของเดิมเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้ร้องครับพอเก็บไว้ในไร่ดาวเป็นต้นนะไม่คือล่าสมบัตที่บอกนะครับพราะทหารนั้นไม่รู้นะใครเป็นใครมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับติดในถุงโยง นี่ชอบไม่ไร <políticas> ้องมัรวยใช่ไหรับอันนี้ไม่คือล่าชบศรีวรวงเลยเขาอยู่ใกล้ๆอะไรครับอ๋อถ้าหลายหลายคนใช่ไหมมันจะชอบขงเมียนครถ้าอันนั้นต้องอุดกระหน่ำตัดตะกุนไป แต่ว่าหลายคนรวมกันก็ต้องตนะ่างสคุณเท่ากนันข้าเจ้าของนะเจ้าของเองถ้าคนเยนจริงเขาเป็นเจ้ามากก็คือเจ้าของอยูถ้าหลายคนรวมกันก็อยู่เปนต่างสมนะคุณนะครับใครถามใครถามเพื่อน พ่อมันจะมีบางที่เหมือนกันที่สงฆ์พ่อไม่ใช่โ ร, รงพยนบาเพื่อเขาบอกว่าอาหารพบาร <c oughs> เราไหมมั่นใจนิดหนึ่งะถ้าเราจาไม่ได้หาอั น, น, นอออไหนเจอที่ว่าพบาร์เราไมพ่อกัวนิดหนึ่นนนครับเจนาผนะูกรารรักษาจีวอนเวลาหายยาเราจะได้รู้ม คนนี à, ้อาะเราเราเจนี่แต่ก็ไน้าสนาเจารที่เราจะอะละสนาก็ดเพราะว่าเราต้องลอดูบทนี้ทังเนี่ยบางทีเราเองก็จาไม่ได้ที่ต้องบางคนเคียดเอ๊มาเครียดตื่นงูอะไรเปนเรื่ะงแต่ถ้าเราเขเาแเจนาของทีมันคือเพษอะอืมทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นไล่มาเป็นต้นนะของส่างสกุลเก็หลายเจ้าเลย ถ้าเขาล้อเก็บว่าในไร่นาก็ไม่ได้อยู่ในไรนะาให้อยู่ที่ริมประตูครับเพราะว่าเปิดไทยอารีตวอรมาทางนี้เราจะได้รู้ใช่ไหมมันขอหนาย้จ้าไม่รู้ว่าเจ้าไหนบ้านไหนวะเราอยู่ตรงมุมไหนของไร่นานี้ไม่ได้แล้วให้ไปเฝ้าที่ริมประตูเลประตูใหญ่ทางเข้าไหนนะอย่างนี้นะครับหรือวอยู่บนาทอยู่ประตูนี่ก็ได้ครับอฝ่ามือ เกตถ่้ามข้าวางไว้ให้ร้ทงมากรอคไปข้ามไม่ได้ร้องนะครับเกตแลสไล่มาเป็นต้นอันนี้ไม่ได้ร้องนะถ้ามันมีรู้วเนี่ยไม่ึงหน้าสบรรมบัตีวอร์เพราะทหารจะไม่รู้เรื่องต้องอยู่ในธบัตเองครับสรรมบัตีอฟังนะครับไม่มีเือไม่จบตรงนี้จะเหลืออะไรออคนต้นม้ต้นที่ต่างแย่ เยั ง, งมีนะครับของต้นไม้คนต้นไม้ของสมบุเดียวนะครับก็คือกำหนดเอาเหตุที่ราแผ่บริลออฟในเนถถวลาเทียถถ่ยงวันนะในเวลาเที่ยงวันนะงอของต้นไม้แผ่บริลออฟถึงหนนะครับถ้าเก็บทีวอไม่ไนนนนในงา น, นั้นนะเลา้อเดนทาในบริเนี้นะครับถ้าบอกว่าต้องเป็นงอทุกเดือนนะไม่ใช่อราที่มันแบบมะลอตรงนั้นมีเลยไม้มที่นครับ ต error, LA, 56, us, ัวน e. ั้นไม่ได้นะครับถ้าเราไปอยู่ตรงที่แดดนส่องถึงนะมัน่องคำนั้นเรัอรขึ้นมาก็คถือว่าอยู่กับประจักรแต่ควอรอต้องอยู่นคงาทึบกันแล้วเราทำเงาไให้ดีนะตรงไหนที่เงามันทึบที่แดดันส่องไม่ถึงนะครับร่องคำนั้นด้วยาท่านก็ไม่ได้บอกนะวาบอกว่าเงาทึบเที่ไม่สงกันครับเราไม่ใส ใช่ใช่า่อไม่ได้ใช่ใช่นั่นแหละหมดเลยถ้าได้ว่าปิดการเรารู้ต้งรู้เราสงสัยมาสาคัญสี่นะแต่ถ้าหยปากก็โดนทั้นั้นแหละคนนี้ไม่ได้วุ่นการจิตกาครับคือรู้ม่รู้ต้องแบบนั้นอันนี้ถ้ามองว่าแต่จีวรที่พิสูจน์เก็บไว้ในโอกาสที่แดดถูก แห่งต้นไม้ที่มีกี่งกล่องเป็นตะเคียแท้ทนะครับหรือไม่ได้วไม่มีกิ่งทรมาก็ไม่ค่อยมีนะผมว่ามันชอบแดดสองเทมิ่ไม่ได้ไเองนะครับ <S <S อ่าพิสูจน์เก็บก e ีวอลไว้ภายในเขตนอนต้องมีภายในเขตนอนนะถ้าเป็นคนไม้ของต่างอุ้นคนไม้เรามีหลายจ้าเองนะอันนี้ไม่สามารถทำบาักกีวอนะครับเพราะสถานกันนะ่ไ อันสุดท้ายนะครับที่แจ้งที่แจ้งเนี่ยอยู่ในาที่แจ้งไหนนะที่แจ้งในเขางาปานนะครับถ้าบอกว่าในที่แจ้งในทิ้งนะครับหมายความว่าที่สุดเจ็บจุอาวัดในป่าเหมือนกับตรงชื่อว่าวิชาตะวีดเป็นต้นนะครับหรือว่าเก็บไว้ในเกาะเลยเกาะที่ไม่เป็นที่ไปของคนทชาวประมงนะครับหมายว่าชาวประมงเข้า ทางเรอไปนะแล้ะก็กลับมาวันนี้ไม่ทันก็เป็นเกาะอย่างเงแต่สมัยนี้มีเรือยนต์ไกลขนาดไหนก็ถึงหมดเนี่ยก็เอางั้นว่าอะไรถ้าเขากลับมาวันนี้ไม่ทันก็ก็เอาอาไอย่างนี้แจ้งถ้าเขากลับมาเย็ทันก็ไม่เอาเกาะต้องไม่เอาอันนี้อันเงินครับบอกว่าอยู่ใน ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับไหนอย่างนี้ก็ได้ในภายในเจ็ดพันดอกโดยรอบมรเวนั้นนะครับยังที่แจ้งนะเจ็ดพันดอกเมื่อกี้หนึ่งพันดอกก็ตอบสี่ตอบเจ็ดพันดอกเท่ากับยี่สิบแปดตอนะครับแค่พูดถึงว่าถ้าที่สุเราอยู่ตรงกลางใช่ไหะรือว่าที่เราแจ้งตางนะครับเราก็ว่าดถึงตัวหลอดไปเลย ภากสัตวของการทุ่งที่ด้านเจ็อคันดองโดรอบนี่ครับแล้วเราอยู่ตรงกลางนีเาไปนี้รับด้านซ้ายด้านขวาด้านหาังทุ่งที่เลยด้านเจ็ดอัคันดอนะครัทีนี้ถ้าเราอยู่ตรงกลางเราเก็บผ้าไว้ในงสาพิจารณ์ตกยุทวันรวออก็แล้วแต่ภายในเจ็ดอคันดอนี่ใช่ไหมครับโดยรอบเลยนะเราอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่ารักษาใตจีวรไม้ได้นะครับแต่สมมติว่าเราเก็บผ้าไว้ในด้านพิจารณ์ออกใช่มเราอยู่ตรงกลางเจ็ดอคันดองพอดีใช่ไหมครับ ถ้าเราเลื่อนมาถหนา้าที่ตวันตกนะครับแม้เพียงนิดเดียวนะนี้ก็ถือว่าอยู่ปัจจัยอยู่ปนะนะะัจจัยนะนะแล้วนะครับผพรามันเลยเสถัารอนแล้วนีครับนี่ครับที่แก้ควบคุมนะก็หมดการแล้วนะครับึมนท่านเอานะี่ยบอกว่าอ๋อี่ไงโอ้แม้เกลียวไฟขึ้นผมเดียว แต่ถ้าว่าจิตสูเดินไปสุ่ทิศตะวันออกแม้เพียงแค่ผมเดียวในเวลาลืนขึ้นจีวรในทิศตะวันตกเป็นที่สุดที่เพราะว่าถ้าเกินจะเสี่ยงพันดอมแม้ที่เดียวก็ไม่ได้นะเมืมมมม่อกีอ้นะจีวรเป็นสุจามีสองอันที่จีวรเนี่ยเอ า, เอาตัวแพทย อ๋อเอาเอาคเป็นตัวถึงกางระคยีไหก็แสงรด้การลองะเปลี่ยนเอาอออากีนกลางนะคะอ๋อไม่ใช่กีวอาก็มีลรอเหมือนเดิมนะถ้าคู่ให้ฟังว่าถ้าเราเลยอับปันดอนมาแม้เกียรปลาเส้นผมเียอันนี้ก็ต้องอาบัตรแล้วไม่ได้เลยถือว่าอกาสทงของ ก่อที่ว่าชาวประมงเข้าไปนะก็กลับมาวันนี้ไม่ทันครับกลับมาไม่ทันแล้วแล้วตวานที่บไม่อันนั้นชื่อว่าที่แจ้งที่นี่ครับที่แจ้งครับที่แจ้งในที่นี้ครับั้งหมดที่แจ้งที่นี่เอาเป็นป่าเลยป่าดงทุกเงินครับกับดงที่ว่ามิชาจะีต้นไมที่นีก็คือต้นไที่ที่มันอยู่รอบหมบ้าน มอยนป่าพราไ่ไ้อน so ่คร yes. yes. mm ับแต่ว hmm. mm ่าาเกิดมอยู่ในป่าคุณก็น่าจะเ็นต้นไม้ต้นป่าเลยไม่ใช่อันนี้พอป่าแบบป่าทึบเลยเนาะอำรังเนี่ยใช่ป่าธรมดามันจะไปคลองนะครับอนนี้หลังนี้ต้บอกว่าอะไรป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปาที่ชื่อว่าหาบ้าไม่ได้อาป่า น, นี่นะป่าที่มันมีบ้านคนเลยนะครับย่อมได้นในป่าลมิบเป็นต้นไม่เข้าไปในเข็ขเนะเนะม ข, ข, ของบ้านเลยเลยนะเอาป่าขนาดนั้นเลยครับไ่เข้าในเข็มของบ้านเลยะแล้วก็หมู่กาซึ่งไม่เป็นทางที่ไปของพวชาวประมงปเลนแบบไมทันเลยเป็นท่าทางนะมหาสมุทรนะครับเพราะถ้าเป็นมันอยู่ในดองขนาดนั้น น, นมเจ้าของแล้วนะ มันความเขียนของบ้านเลยเนี่ยครับใช่ใช่ครับประเางปเ่อนน่ากละว่าน่าจะไม่ได้เป็นที่สถานที่อาศัยในร้นตรงนั้นเสร็จแล้วก็ใช่ใช่ไม่ได้พาใสนะค่าตไปแล้วก็รับประนนะ All right. ไว้แปดที่สูกพูดได้รับสมมุติเป็นอนุบัญญัติหนึ่งคถามบทนี้แต่งฐานพระรานาบัญญัติที่สุนี้นหนึ่งนะครับอ น, นอนันติกะไม่เดี่ยวการใช้ใครมัคนคงเก็บที่<ม>วอดไหมอยู่ปัจจาเองเก็ต้องเองนะครับมไม่ได้อยู่ปัจจารตายทีวอดําคัญว่าอยู่ปัจจาและมีความสงสัยต้องแบบกบเี่ยถ้ายังเป็นอาบานนับ<ม>ติไไม่ได้อยู่ศาล แต่ไม่เข้าใจผิดว่าอยู่กลางหรือว่าสงสัยนะครับท่าที่จีวอนอยู่ในห้องนั้นนะก็ อ, อาจจะสูส้ว่าตรงไหนรู้ไหมครับเข้าใจว่าไปถามไม่รู้ไกลรู้นะเ <c oughs> ข้าใจผิดอยนะ่างนั้นครับไอ <c oughs> ก, ก่ลงมันครับซึ่งโดนแล้วก็อยู่ประจานไอจีวอนสำคัว่าอยู่ชดใช้รู้ไครับอันนี้ก็โดน สำคัญว่ามันไม่ได้หยุดประจานเนี่ยถ้าจะเห็นว่าจีวรยู่งไม่คล่องนครับมันต่างนู่นะครับมีความสงสัยต้องปฏิเสเพียบเลยอันนี้โดนนะนะครับขอให้จีวรนั้นหยุดปากทันเช่นเดียวกันคือไม่ได้ท้องกาสิถานและไม่ได้ฉลาดเป็นต้นมันคือว่าเราความพิถานร้าครับบางงานนะเราต้องเขอาน้ำอยู่นะแล้วเราใากจีวรมาข้างนอก อารมณก็จะขึ <Yemen. S 2> ha, na, ้นแล้วมันไปเก็บแม่คาแล้วยังถ้าเราอยู่ในห้องน้ำห้องน้าอยู่นีนะทําไงดีอ่ะแค่ถอนติหาทนี่นะครับไม่ถึงจีอนทเราเก็บไว้ตรงไหนเราทําอ่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เอตั้งมีว่าตั้งตั้งนะครับต้องต้องอะไรนะอุตลาสามทางเอตั้งตลาสามทางปัจอุตลานี่เราถอนไปเลยคือว่าถอคือว่าถอนติขาทนครับเมื่อถอนติขาทนี้ก็ไม่กทันหน แล้วก็กลับมาทิฐิฐานใหม่ครับนี่คือวิธีบริหารอีกแบบงนครับอันนี้ยังไม่ได้ขอเลยนะถ้าไปเข้าใจถึงนว่าขอยังไม่ได้ขณะให้ใครในเข้าใจถึงว่าขณะจะแล้วอยู่ปาก็เป็นอนันบัตนะครับเป็นต้น น, นะนะมีความสําคัญว่าขอแล้วและขณะแล้วเป็นต้นต้อบัตสิตเทียปายีตีอานาบัตคือไม่ต้องอานาบัต น, นะครับก็คิดสูตไม่ต้องอานบัตเมื่อหน่ง ของกาติฐานก่ออารมุขึ้นครับของเที่ยงสองทการสลักภาพเป็นต้นตามวิธีที่ต่างแล้วในคาถาบทแรกนะครับก็สละให้หนึ่งเประเนิ่นครับก็มีเป็นนะเมื่อสนามแล้วก็ชื่อว่าขาดติฐานไปแล้วนะครับมาถึงรื่อข้อก่อนนะเรานี่ยสลัแล้วภาพหายจนาใครขโมยไปแล้วนะนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยราแล้วถูกขโมยไแล้ว ถ้าเสียหายถูกไฟไหมไไ้ทิ้งชิ้นเราไปถือถือไปที่าลศาสตร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องอาไปถือถือเพราคนของเราไปแล้วได้รับสารได้รับสมมุติห้อยู่สนปรักษ์ไปทีวอลได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อหายอแล้วออกม า, าสถานป่แล้วนะจะยังอยู่สายไม่ได้ต้องกลับมายังสถานที่เก็บกีวอลอีกให้กลับมาหร <c oughs> ืออยู่ในที่นั้นนั่นแหละถอนผ่า มันดีโอ้ยกลับมาไม่ทาหนหอกใช่ไหมแล้วก็ถอนเลยคนระับถ้าว่าโรคนะนั้นหรือโรคอย่างอื่นกำเริบเพิ่มดีถึอว่าได้เะะราอ่านหมายว่าการสมมติรคารนะา้งแรกใช้ได้ไม่ต้องสมมติอ่ประจำจักรใจยวอลซ้อีกาะรเกิดนั้นิ่นงหายนะรนะนะโรค ก, กำเริบเพ่แล้วครับเป็นโนะนะอเก่าหรือว่าโรงใหม่ก็แล้วแต่นะถ้าก็อยู่ประจำจักรใจวอลได้สมมติครั้งหถือว่าใช้ได้ ถืาเราใจแล้วหายป่วยแล้วปวยใหม่ไม่ต้องสมมติแ่เพราะถือว่าสมมติไปแล้วเป็นสมมติไแล้วคงอยู่เวลาใล้ๆนะผมไม่ใช่นานโอ้เป็นเียสีเดียมป่วยครั้งเนียเดีคงจะไม่หนานะนนะนารือมาใกล้ๆกันต่อไปองอาบติี่านหมนี้มีองสี่คือเป็นจีวาที่อิฐานอธิานเป็นใรนะเป็นเป็นง 2, 2> ไม่ได้การกระถินหรือว่าการแล้วแต่ว่ากระถินดอกมาแล้วนะครับเลยมีสองนี้นะสามไม่ได้รับการสมมุติให้อยู่ประจักษ์ไตรวรครับสี่ประจักษาตรีเมื่อเข้าองค์สีนี้ก็ต้องมาปั่นสิทธิ์ฐานมบทนี้สมุทรฐานเป็นต้นมีประการต่างๆมาแล้วในสิทธฐานบทที่นคืออะไรครับสมุทรฐานเนื้อข้อแรกค่ะกลกายสีกายไม่ใช่กายการสีกา เม่ใช่พ้อกระถิ่นเขาแรงนะครับเขาเล่นกระถิ่นสมุทรหาครับกถิ่นสมุทรหามันคล่องมันยิ่งนะครับอูอะไรนะแก็บมศษทีวอกันครับเขาจะพูดไรนครับการติดการติดไม่มีละครวาจาติดวาจาติดก็ไม่มีสิครับ โอโโ้ไม่ได้ไม่ไดะการวาจาริศครับการวาจาริศครับนี้การวาจิตเข้าการวาจาริต้องพอนะครจาการวาจาริศมีคิมหารสองนะเอาวาการจาก่อนที่ไม่มีจิตนะพราะเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจรู้ไม่รู้นะครับถ้าอยู่ปากก็ปอกนะอันนี้ช่วยใมีจิตมีการกัวจารข้อนี้เป็นอคิยาติครับ เพราะว่าไม่ยอมสอนด้วยการหรือางใจถอนด้วยการก็่นกันนับแปมอกันนะมนมีการจัิบานในบอนด้วยการได้เหมือนกันแล้วก็ทําวลาที่หายะครับไม่ได้พูดเรามันต่อภาพแล้วก็ทำาการไม่ไดถอนเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมถอนด้วยการอวางจถ้าเราถอนเสียเราอารมณ์ขึ้นล้วก็ไม่ต้องอาปักช่วยเรอันนี้พ่มหลอก ถ้ามีจิตกายวาจาสีก็รู้ทั้งรู้นะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยอยู่ปรจักษ์ใจที่วันนี้ที่ม่ได้ถอนอันนี้ก็เป็นตาวาจาทำไมครับถอด้วยกายแล้วก็ทากาบอคติฐานด้วยกายนะครับเอาผ้าม า, มาแล้วรูปทรงธยาวพิมครับแล้วก็ถอนพูดในใจนะใส่ใจเพี่เดียว ว่าอีมังอีวารังอีมังปัญญาจริงประสุขนี่าองครับถือว่าเข้าพเจ้าของฐานของของของในสิ่วนีครับแล้วพอพูดออกมาให้ทำใจแล้วก็รูปคลองฆ่าไปครับนี่ตายนี่เมื่อก่อนมันก็โผล่ใส่เอ๊เจอแดดขอไม่วันจางอยู่แต่ตรงนี้ถ้ามีพูดหรือว่าไอ้กายรังจายมีข้อกายอ้วยครับพอไปดูในการแล้วก็บอกว่าอย่าัในการของไม่กลาง อันนี้นะครับ่ามีจริงอยู่ในสิลฐานบทที่หนึ่งคือเก็ยวิริยิวารตอนสิวันมีการเป็นฆ่าที่มาแต่งศีฐานหรือวิกรับไว้เป็นอคติยาต้องเพราะมันแต่คำใช่ไหมว่ข้อก่อนข้อไม่ยอมสิกฐานหรือวิกรับถ้าศีลฐาหรือวิกับเพียก็ไม่เป็นธรมะ แต่ข้อนี้เป็นอกิริยามเหมือนกันสิขาบทนี้มีการไม่ขออธิษฐานเป็นอันริยานครับนี้คือควาต่างกันเลยกัการทีบาปอุทกตาสิขาบทท่านก็ส้องต้องไปว่าขึ้นมาต้องไปเลยต้องมาดูในอุปกรณ์วิธีฝังห้าสองห้าห้าสิบไปห้าห้าสิบไปน